ข่าวหน้ากลุ่มโดยดังตรินตอนที่24ระหว่างรักแท้วาเลนไทน์กับรักแท้กลายพันธุ์คงต้องหันไปศรัทธารักแท้กลายพันธุ์กันมากกว่าซิีแล้ว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 ไม่ต่างจากสัตว์พันธหายากที่พากล้มหายตายจากไปจนสิ้นจริงครับสัตว์โลกศูญพันธุ์ยังไม่น่าห่วงเท่ารับแทกลายพันุ์โลกที่บีบบังคับให้รีบร้อนพาให้พวกเราหลงทางเข้ารกเข้าพงกันมากหลายคนหาทางกลับบ้านที่อบอุ่นไม่เจอยิงเร่งเดินไปบนเส้นทางเหน็บหนาวยาวไกลเท่าไร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 ตามร้านหนังสือทั่วไปเช่น C1, B2S, Nayin, สู่หนังสือจุฬาแพร่พิทยาตลอดจนเซเว่นเลเวนทุกสาขาราคา140บาทครับ